สายต่อไปเราจะไปกันที่สายของคุณคิงครับหรือว่าคิง g อฟโกดของเรานั่นเองวันนี้คุณคิงจะมาพร้อมกับประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญจากเรื่องเล่านะครับที่ได้ฟังมาจากคุณกวางครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ขอเปิดเผยครับใช้ชื่อเรื่องว่าผีลักซ่อนตอนค่ายอาสาครับ เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้1นนาฬิกากับอีกประมาณ8นาทีครับส่วนป้าแมวเสาหน้าครับเราได้ฟังเรื่องของป้าแมวอย่างแน่นอนครับเอาแล้วครับดูเหมือนว่าตอนนี้ พร้อมเป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปจากสายของคุณคิงหรือว่าคิงอ f ฟโกด t ของเราผีลักซ่อนตอนค่ายอาสาครับสวัสดีสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่แจ๊คิดถึงจังเลยอ๋อนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคืนวันอาทิตย์ที่ผมได้ยินเสียงคุณคิงปนี้ไม่ถึงสีลนะปกติว่าผมมาซื้อของอ่า ที่จะเอาไปถวายสำนักสงฆ์ที่ผมดำสาราพี่นะเพราะว่าปกติเนี่ยคุณคิงจะมาวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยจะไม่ค่อยได้มาเพราะว่าถือศีลครับแต่ <ผม S 1> วันนี้โชคดีมากครับเมื่อคือเราไม่ได้จัดรายการแต่วันนี้คุณคิงก็มาเยี่ยมเยียนเดอะโกสเลดีโอขอบพระคุณมากมากคุณคิงขอบคุณเ<อ>ช่นกันครับนะฮะแล้วตอนนี้อยู่ไหนครับเนี่ยผมมาซื้อทางฝั่งปราจีนบุรีครับอยู่ย่านแถวปราจีนบุรี ครับผมคือมาซื้อของแล้วก็ซื้อของที่เราจะใช้ปั้นงานของเราด้วยแล้วก็มาซื้อของนี้ด้วยเพราะว่ารู้จักกับร้านเขาแล้วเราจะได้ของแบบที่ถูกหน่อยอะไรเงี้ยอืมดีนะะคุณคิงนี่สายบุญเลยนะฮะต้องบอกคุณผู้ฟังงนี้เลยว่าโอ้โหทำทุกอย่างที่เป็นบุญแล้วแบบโหทําแต่ละอย่างนี่สร้างสารางี้ปั้นพระอย่างนี้นะะสุดยอดมากๆผู้ชายคนนี้นะคุณคิงช่วงนี้สบายดีนะ ก็มีเจ็บค อ, อนิดหน่อยครับแต่ก<อ>็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ป่วยอะไรโอ้นะครับยังไงก็หาน้ําอุ่นๆทานเยอะๆนะคุณคิงนาะวางไว้ข้างๆเรียบร้อยแนละ้วดีเลยฮนะ <c oughs> มาว่าถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่คุณคิงบอกว่าไปได้ยินได้ฟังมาจากคุณคุณกวางเรื่องนี้ครับผมนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อเลยคือจะต้องบอกว่าบอกชื่อไม่ได้เลยครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรืออะไรก็แต่เพราะว่า สถานที่เนี้ยมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักแล้วพถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เล่าไปเนี้ยเดี๋ยวก็จะได้ฟังในเรื่องอ่ะนะแล้วจะรู้ว่าทําไมผมถึงจะเปิดเผยไม่ได้เพราะมันค่อนข้างจะถ้าเกิดคนรู้นีะก็อาจจะไม่อยากไปเลยรอ้ดีดีดีเพราะฉะนั้นเราเราละไว้ในเรื่องของชื่อแล้วก็สถานที่ตั้งเลยนะฮะครับนะครับผีลักซ่อนตอนค่ายอาสาเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณคิงเชิญเลยครับครับผมก็เรื่องนี้มันเกิดขึ้นสักประมาณสิบ สีิบห้าปีแหละคุณความเขาบอกนะฮะครั บ, บแล้วก็มันเป็นเรื่องสมัยที่เขาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งท่า น, นี้ในการที่เรียนขึ้นมาพอไปรุ่นพี่เขาเนี่ยมันก็จะมีรุ่นน้องขึ้นมาเนาะครับแล้วปกติมาอะไราต่างๆมันจะมีการรับน้องนะครับอท่า น, นี้ที่เนี่ยการรับน้องของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันเป็นตลอดระยะเวลาเป็นสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการรับน้องที่มีปัญหา ก, กันก็คือความรุนแรง จะเลยใช้วิธีการบางอ่กึ่งบังคับให้เป็นการรับน้องแต่ออกไปทําเรื่องดีๆกันโดยการทําค่ายอาสาครับอันนี้ในการทำค่ายอาสาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีกิจกรรมรับน้องนะแต่ของพวกเราเนี่ยมันไม่มากมายอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดมากเราโอเคไปกันครับอันนี้ในการเดินทางไปถึงเนี่ยสถานที่แห่งเนี้ยจะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นโรงเรียนเก่าซึ่งมันแบบชำรุดทรุดโทรมไปมากครับพี่ <c oughs> แล้วก็ เขาไปจะไปต่อร <entscheiden> ั en ้วไปทํารั้วใหม่ไปช่วยทําตัวอาคารไปทาสีเท่าที่จะทําได้อะไรเงี้ยแล้วก็พัดข้างในโรงเรียนนั้นอืแล้วก็ขอบอกลักษณะของโรงเรียนก่อนเพื่อให้นึกภาพนี้ออกนะฮะโรงเรียนเนี่ยพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นด้านหน้าโรงเรียนธรรมดาที่มีรั้วเป็นปกติด้านข้างทางซ้ายก็จะเป็นถนนเรียบไปเรื่อยอืมด้านหลังจะเป็นป่าขัดจากป่าไปด้านหลังจะเป็น่าน้ํา เป็นน้ําซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นแม่น้ําลําธารหรืออะไรก็ไม่รู้ผมไม่ได้ถามตรงนี้ท่านี้ัรงความมันก็จะเป็นร้วโรงเรียนแล้วก็ออกไปเป็นหมู่บ้านคนออืนั่นหมายถึงว่าในโรงเรียนเนี้ยถึงจะมีป่าก็จริงแต่มันโดนล้อมกรอบด้วยสถานที่ที้ไปไหนไม่ได้ผมพูดได้เห็นภาพก่อนนะฮะออืแล้วท่านี้ว่ามีเนื้อที่ประมาณสิบไร่รกับโรงเรียนมหาลัยเนี่ยหลายสิบชีวิตเลย พร้อมๆกับอาจารย์ด้วยอืท่านนี้ในวันที่ไปกันวันแรกก็ยังไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่จะออกเป็นแบบตุ้ติตุ้งติงหน่อยเนี่ยเขาก็นอนนอนฝันแปลกๆเขาก็เอามาเล่าให้กับคุณกวางฟังเนี่ยเพราะว่าอย่างว่าเนาะเด็กมาอะไรก็จะมีการสนิทกับอาจารย์ ท, ท่านนั้นท่านอะไรเงี้ยคนไหนพูดเล่นได้เขาก็พูดเล่นกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะเรียกคุณกวางว่าเจ้านัด เขาก็อบอกเออเนี่ยเจ้านัเมื่อคืนนะจานนะฝันปแปลกๆครับมีคว่าฝันอะไรครับคือฝันว่ามีผู้ชายแก่ๆคนหนึง่งหน้าตาท่าทางน่ากลัวนะเดินเข้ามาแล้วก็มาพูดว่าอยู่ในสถานที่นี้นะที่เรากาลังอยู่กันนะแล้วเขาก็มาพูดว่าโอ้โหเด็กๆเยอะแยะหน้าดูเลยอ่ะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอลุงขอไปสักคนได้ไหม อาจารย์กแกก็แบบเหมือนประมาณว่าไม่ได้หนูต้องมาดูแลเขาหนูหล<ม>ับผักเขาไว้ต้องมาดูแลแล้วลุงเป็นใครมาขอลุงพูดไปเร<ม>ื่อยเปื่อยคือประมาณอย่างนี้ในฝ<ม>ันนะอืมลุงคนนั้นในฝันเขาก็โมโหเขาก็พูดว่าของมึงมีทั้งเยอะทั้งแยะ<ม>ให้กูเจ้คนอย่าเป็นอะไรไปกูไม่รู้หละกูจะเอา<ม>เขาก็พูดอย่างนี้อ<ม>ืแต่มันเป็นแค่ฝันไงเช<ม>้ า, ชามาเขามาเล่าปุ๊บเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแคุณปางบ อ, บอกโอ้อาจารย์คิดมากไปแล้ว เรื่องความเป็จริงไม่ใช่อย่างนั้นหรอก อ, อาจารย์คงจะแบบมาแล้วเหนื่อยแล้วเห็นสถานที่แล้วก็ดูหลังอะไรมากๆคนเนี่ยก็แซวไปก็แล้วไปตอนนี้ต้องบอกว่าในการทํำไส้อาสาเขาก็ทําเหมือนอย่างทั่วไปคือการทํานู่นนี่นั่นจบทําไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งวันสองวันพอวันที่สามเนี่ยมันก็จะมีการรับน้องซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ตั้งใจมา อ, อีกเรื่องหนึ่งในบริเวณป่าข้างหลังนั้นเนะ่ะชาวบ้านที่เป็นพวกอาสาหรือว่าลูกเสือชาวบ้าน เขาก็มารุ่มช่วยกันอืในการที่จะถางป่าช่วยกันกับผู้อาจารย์คือแบบไหนๆเขาก็มาพัฒนาโรงเรียนให้แล้วเนี่ยเขาก็ช่วยทำกับนิดหน่อยโดยการที่ไปช่วยถางป่าให้ทําอะไรให้ให้เป็นทางเดินสําหรับนักเรียนเพื่อนักเรียนจะได้ไม่ออกนอกแถวแล้วไปหลงป่าตรงไหนอืเมื่อเห็นว่าป่าตรงนี้มันมีหญ้าลกตรงไหนก็ไม่ไปไปตรงทางนี่เขาถางไว้ให้แค่นั้นก็ไม่หลงตอนนี้ทำจุดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยแปดจุด เป็นจุดที่เป็นสถ า, านีคล้ายกับการเข้าคลายลูกสืออะไรเงี้ยฮะแต่เขาจะมีเล่นเป็นดานของการรับน้องของมาหารที่อะไรเงี้ย น, นะแปดจุดแบ่งกลุ่มน้องๆองอกเป็นแปดกลุ่มอืโดยจะปล่อยออกไปทีละกลุ่มแล้วพอกลุ่มแรกปุ๊บย้ายไปชั้นหนึง่งก็จะปล่อยกลุ่มหนึงออกไปเรื่อยๆเป็นปกติของการเล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วอืซึ่งกลุ่มของคนที่หายไปเนี่ยเขาชื่อว่าโจอตัมวางบอกเขาเป็นน้องอหารของเขา แต่ว่าก็ยังยังไม่ได้พูดถึงเรื่องน้องและฐานตอนนั้นนะก็ค่อนข้างที่จะคุยกันบ้างอะไรกันบ้างเรื่องผองเรื่องก็คือในตอนที่ปล่อยออกไปกลุ่มแรกเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาประมาณห้าหกโมงเย็นแล้วพี่แจัดแล้วฝนเนี่ยก็เป็นอาเป็นช่วงหน้าฝนก็จะมืดเร็วหน่อยพอมืดเร็วหน่อยทีนี้แต่ละกลุ่มไปแต่ละฐานเนี่ยมันก็จะมีการเล่นนู่นนี่นั่นกันะใช้เวลานานกว่าที่จะปล่อยไปฐานนั้นฐานนั้นฐานนั้นต่อ เรื่องมันก็ดําเนินไปตามปกติคือไปนี่นี่นี่นี่ทำสเตปไปจนมาถึงประมาณที่ว่าเขาอยู่ประมาณกลุ่มที่สามที่สี่ที่โดนปล่อยไปนะครับแล้วก็กลุ่ม แ, แรกๆก็ไปก่อนแหละแล้วเขากำลังจะเปลี่ยนจากฐานที่สี่ไปฐานที่ห้าประมาณนั้นไอ้ช่วงรอยต่อระหว่างฐานที่สี่กับฐานที่ห้าเนี่ยอยู่ดีที่เขาเดินเดินผ่านไปเนี่ยเขาก็บอกกับเพื่อนเขาว่าเฮ้ยกูปวดฉี่ว่ะขอแวะแป๊บนึงนะ แล้วมันจะมีไอ้แสงไฟฉายเอยแสงแสงเทียนที่เขาใสเอาไว้ในไอต้ตะเกียงแก้วที่ชาวบา้านเขาทาให้นะฮะเพื่อไม่ให้โดนหล่อมเขาก็อายไงเขาก็ลงไปลึกๆหน่อยในป่านะลงในข้างทางลึกหน่อยคนเราผู้ชายเราฉี่นะครับมันก็ประมาณสองสามนาทีแหละพี่แจ๊กนาทีหนึ่งอันสองนาทีประมาณเนี้ยแต่ท่านี้มันนานสานาทีสี่นาทีแล้วเพื่อนเขาก็ว่าสงสัยคงไม่ใช่ฉี่แล้วละคงจะอย่างอื่นด้วยและก็เลยร อ, อนานเลย จนมันนานมากเป็นห้านาทีเกือบสิบนาทีแล้วเขาก็ <S <S ว่าเฮ้ย hey, มันเป็นอะไรปะวะก็เลยลงไปดูใบชะงูดูตรงนั้นบริเวณที่เพื่อนลงหายไปออืไม่เจอพอไม่เจอก็เริ่มตะโกนเรียกพอเริ่มตะโกนเรียกก็เริ่มมีคนได้ยินพอได้ยินก็เลยมาช่วยกันหาอืปรากฏว่าไม่มีทั่วบริเวณตรง น, นั้นไม่มีเลยครับเขาก็ว่าเฮ้ย hey, มันไปไหนวะคนก็เริ่มมาถามกันรุ่นพี่ก็เริ่มมาถามกันว่า เจอเขาครั้งสุดท้ายตรงไหนตรงนี้แน่นะเขาลงไปนี่แน่นะเอาแล้วดูสถันที่แล้วมันก็ไม่น่าจะไปไหนได้นะมันจะไปไหนได้ไงอะ่ะ<ม>ก็ปรากฏว่าเดินวนหากันเรื่องมันก็ค่อยๆลุกลามไปตามลาดับจนถจึงว่าอาจารย์รู้อาจารย์รู้ก็เริ่มให้ออกหากันแต่แค่ในระยะหนึ่งระดับหนึ่งเสร็จแล้วก็เลยติดต่อชาวบ้านชาวบ้านก็มาช่วยกันหาออืต<ม>ิดต่อไปถึงเย้าที่ตํารวจ เจ้าหน้ที่ตำรวจเมองแผนและมองแผนที่แล้วมองไปแล้วว่ามันเป็นแค่นั้นนะพี่แจ๊กอย่างนี้ผมบอกตอนแรกว่ามันเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมที่ออกไปไหนไม่ได้อ่ะอจะหลงยังไงก็ช่างเดี๋ยวมันต้องกลับมาอยู่ดีแหละเขาก็เลยบอกว่าก็แรกจะไม่มาคุณกวางบอกว่าจะไม่มาเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะอยู่แค่นั้นแหละลองหากันก่อนแต่ก็เรื่องถิงคูใหญ่ผูู้ใหญ่ของโรงเรียนนั้นะ ต้องมาพอมาเสร็จปู่ใหญ่ก็เลยโทรไปบอกว่าให้ช่วยมาหน่อยตอนนี้มันหายไงก็หาไม่เจอเป็นตังสาชั่วโมงแล้วมันเริ่มเด็กอย่างไวเรื่อยแล้วไงเขาก็เลยมากันท่นนี้ก็ออกตามหากันตามปกติคนอื่นเขาหากันเรื่อยแต่พวกเด็กวัยรุ่นกันเนี่ยที่เป็นเรื่องที่เนี่ยรุ่นน้องเขาไม่เข้าเลยนะปีหนึ่งบอกห้ามเข้ากลัวจะหลงอีกกพวปีสองเขาก็จะห้ามแต่เขาขอไงขอเข้ามาช่วยก็เลยมาหาเขาตะโกนเรียกไอ้ตั้มไม่ตั้มอยู่ไร้ว่าไอ้ตั้ม กดว่าไม่มีพอไม่มีเสร็จเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านวางแผนกันใหม่รลองฝังแผนการนะครับือเข้าไปยืนคิดริมฝั่งซ้ายลยที่เป็นถนนออืแล้วจุงมือกันแบบปูพรมอะออเดินหาเลยกวาดกวาดเข้าไปเลยกวาดเข้าไปพอ ไ, ไปถึงมุมหนึ่งปุ๊บให้มุมหนึ่งอยู่เฉยเลยมุมหนึ่งกวาดกลับลักษณะาการพับเหมือนยังวงเวียนอนะ<ถ>ที่แบบพับไป<ถ>พับมาพับไปพับมาไงซึ่งมันไม่มีทางพ้นสายตาไปไหนสี่ตลกกลับมาจบที่หน้าโรงเรียนพอดีแต่ไม่เจอ ื S <S เรื่องก็เลยต้องถึงกับพ่อแม่เขาแหละพ่อแม่ของเด็กก็โทรมาพ่อแม่ก็แบบ <c oughs> ค่อนขอ้าจะหนักใจอ่ะออืไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยแล้วหายแล้วหขไปไหนแล้วสถานที่เนี่ยพ่อแม่เขายืนยันว่าลูกเขาไม่เคยมาไม่เคยรู้จักใครที่นี่แน่นอนไม่มีเพื่อนแน่นอนคือหนีไปไหนไปหาคนอื่นไม่ได้แน่นอนใช่ครับได้สมัยสิบห้าปีสิบสี่สิบห้าปีแล้วพี่แจ็กโซเชียลมันไม่ได้เป็นอย่างนี้น ะ, ะ<ช>ไม่ใช่ว<ช>่านัดกับเพื่อนทางเฟซทางไลน์แล้วก<ช>็จะคูไปหานู่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับ มันได้มีทางเป็นไปได้ที่อยู่ดีจะหายไปอืและเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่จะมีฐานของความเกเรนะฮะก็ปรากฏว่าต้องไปนิมนต์พระแหละต้องึ่งทางพระแล้วท่านเนี้ยเริ่มเริ่มว่าแปลกแล้วละ่ะก็ไปนิมนต์พระซึ่งเป็นเจ้าวาดและมีอยู่รูปเดียวที่นั่นและท่านลาภาพมาทอดข้าวสารตะเก่งเนี่ยคนแถวนั้นนัถือกันเยอ ท่านก็มาถึงประมาณรู้สึกจะประมาณที่สองแล้วมึงที่ดันมาต้องมาตอนนั้นเลยพอ ม, มาถึงมายืนมองแป๊บหนึ่งพูดไปคํานึ่งท่นไม่ทางผู้ใหญ่บอกอธมาบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้มีใครเข้ามาจัด ก, การอย่างนี้อีกออืกี่คนแล้วเนี่ยพูดอย่างนี้เลยนะอืกี่คนแล้วเนี่ยครับทําไมยังไม่ฟังอีกพอหน้าเจื่อนไปเลยนะพออ่อหน้าเกื่อนไปเลยแต่ก็ไม่พูดเลยก็ทําหน้าเออยอันนี้ว่า พระรูปเนี่ยท่านก็เดินไปจิงไปยกมือไหว้เข้าไปในปา่าอ่าลักษณะจะเป็นของการเท่าที่ผมฟังคุณกวางเนี่ยจะเป็นการเปิดปา่า<ถ>เปิดป่านะคับเหมือนถามนายปา่าทํามีป่าเงี้ยอืยินพึมพําอยู่แป๊บหนึ่งขันกลับมาบอก อ, อยู่นี่แหละแต่ตอนนี้คงไม่ทันแล้วต้องเป็นเช้าออืตอนนี้เข้าไปไม่ได้เด็ดาดถ้าเข้าไปเดี๋ยวมันจะมีอะไรหนักกว่าเดิมทุกคนก็แบบทำไมต้องเช้าอ่ะร้อนรนคือวัยรุ่นไงอออยากจะรู้ว่าเพื่อนหายไปไหน ก็เลยในเมื่อพระบอกอย่างนั้นก็ต้องอย่างนั้นน่ะเพราะว่าในเมื่อทุกคนบอกอยากจะหาตอนนี้เลยได้ไหมพอชาวบ้านถามก็เข้าไปเองก็แล้วกันว่าอย่างนั้นก็ไม่มีใครกล้าเพราะวัยรู้นทั้หมดพอไม่กล้าเข้าก็ต้องรอตอนเช้ามาเสร็จปุ๊บก็มีคนนําอาหารมาถวายพระทหารมาถวายพระท่านก็ฉันฉันเสร็จนะฉันอะไรเสร็จแล้วพร้อมทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยท่านบอกผ่านไปกันอืใครจะจําได้บ้างว่าเด็กที่หายไปอะหายไปยังไง และเริ่มจากตรงไหนครับทุกคนก็เลยพาไปให้ดูว่าจุดที่หนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็เดินมานี่เลยจุดที่สองเดินไปตามทางแล้วเพื่อนเขาก็บอกเนี่ยมาหายตรงเนี้ยรอยต่อระหว่างจุดที่สี่ไปจุดที่ห้าเนี่ยครับพายืยนมองแป๊บหนึ่งหัน้วมองหน้าพอ่อแต่เราบอกทุกคนบอกอืมว่าแล้วลราว่ามันต้องเป็นตรงนี้ครับแล้วท่านก็นั่งลงนั่งลงทุมภุมุปามาอยู่พักนี้ท่นนานถามว่า มีใครที่รับรู้เรื่องนี้อีกก่อนหน้าที่เกิดเรื่องขึ้นมีใครเกี่ยวข้องหรือเจออะไรแปลกๆบ้างไหมครับอาจารย์ท่านนังเลยเล่าให้ฟังว่าคือมันมีเรื่องแปลกๆอย่างเงี้ยก็เราอย่างที่ผมเล่าไปใจฟังตอนแรกว่าันแล้วมาผู้ชายแก่ๆมาอมๆๆะไรอย่าเงี้ยท้าก็บอกอืมเอาล่ะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะว่าในเมื่อโยมเห็นหน้าเขา โยมก็ต้องทำที่ทีนี้คนเดียวโอ้โหแต่ก็วิรจารแบบตุ้ตงติ้งอะเนาะแตเออไม่เอาหรอกให้นัดไปสิคือโยนไปทางคุณกางซึ่งสนิทอย่างเงี้ยครับคุณกางก็บอกอ๋อได้ได้อาจารย์หลวงพ่อครับเดี๋ยวผมทำเองพระลูกนั้ำก็บอกอ๋อไม่ได้โยมต้องเป็นโยมเท่นั้นเพราะว่าคนอื่นไม่เคยเห็นหน้าทำยังไงก็ไม่ได้คืนต้องเป็นโยมเท่านั้นงานเข้าออืเขาก็เลยโอ้โหทำไมต้องเป็นหนูด้วยคือเริ่มเริ่มคุณกางบอกเริ่มแแตกเลยอะเริ่มเป็นหนูเลย ถ้าต้องทอํายังไงบ้างครับเดี๋ยวโยมเห็นไอศินที่อาจะมาถึงนี้ไหมบอกเห็นโยมเดินนะออืแล้วดึงไอศินนี้ไปเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบครับถ้าเมื่อไหร่ที่เดินไปเจออะไรให้กระตุกไอศินทันทีออแล้วระหว่างที่กระตุกไอศินถ้าเจอเขาคนนั้นให้พูดว่าผมมาขอเด็กคืนผมไม่ให้ออระหว่างที่อาจารย์นี่ก็แบบทุ่มๆตอมๆเดินไปแบบจะเดินอยากจะเดินบ้างไม่อยากเดินบ้างเนี่ย ภาพรูปนี้ก็บอกอาจมามาขอเด็กคืนนะโยมคง <c oughs> จะให้ไม่ได้หรอก <c oughs> เอาไปหลายคนแล้วออ <c oughs> ทุกคนก็ได้ยินกันเลยแหละ <c oughs> ออาจารย์ท่านนี้ก็เดินไปใส่สีเขาบอกว่าลาบยาวมากนะคุณปางบอกนานมากอนี่ยใส่สีมดเป็นครึ่งมวนนะ่ะอือแล้วอยู่ดีก็หยุดออื <c oughs> แล้วก็ตกที่ปลายสายอหลวงพ่อก็บอกอ่ะตามมาลุกขึ้นเดินเลยนะแล้วไปยังไวมากเลย <c oughs> ไวจนขนาดเด็กวัยรุ่นเดินตามไม่ทนันเกือบต้องวิ่งเนะี <c oughs> ่ยพอไปถึงปุ๊บ ไปเจออาจารย์คนเนี่ยนั่งกอดกับเด็กชื่อตั้มอยู่ร้องไห้เลยเขาถามว่าเป็นไงโยมได้คืนแล้วใช่ไหมอบอกครับครับร้บองไห้เลยร้องแบบแ่วแตกเลยร้ อ, องแบบคุมมไฟเลยก็เลยถามว่าแล้วได้ึ้นยังไง อ, อ, อ, อาจารย์ท่านนี้บอกระหว่างที่ดึงสายสินเดินมาเนี่ยมันเป็นเวลากลางวันนะครับแต่มันเริ่มวังเวงและหนาวเรื่อยๆันนี้เป็นกลางวัน เรเดินไปถึงปุ๊บไปในจุดที่เป็นป่าเปลี่ยวแล้วทึบๆหน่อยครับไปเจอลุงคนในฝันยืนจังกล้าอยู่ยืนมองหน้าแล้วตะโกนถามมาว่ามึงมาทําไมแต่ก็สั่นแล้วไงสั่นแล้วแต่กันเลืขึ้นได้ไงก็บอกว่าเออผมมาขอเด็กคืนผมไม่ให้กูจะเอาก็ผมให้ไม่ได้หลวงพ่อให้มาเอาออืและในระหว่างที่พักกับ ทุสิ่งทุกคนกำลังเดินตามไปวิ่งตามไปเ่เขาก็หายไปเหมันเขาจะกลัวที่พาะจะมาะมเขาก็เลยวิ่งไปกอดกับคนชุดท่าก็เลยได้ถามกันว่าแล้วมึงหายไปไหนมาท่ําอคนชุดท่ำก็เลยบอกว่ากูลงมาฉี่พอลงมาฉี่เสร็จปุ๊บเนี่ยกําลังเสร็จแล้วล่ะกําลังจะหันหลังกลับกูลุกไปเลยเหมือนเหมือนสลบแล้วก็ลุกขึ้นยืนยืนเสร็จแล้วก็สลบไปอีกมันเหมือนกับ อยู่ในโลกแห่งวิติตรทุกอย่างตื่นมาครั้งนั่งอยู่ข้างหลังต้นไม้แล้วมีลุงคนเนี้ยยืนอยู่ออืโดยที่ลุงคนนี้ยืนห้างหลังให้ตลอดไม่เคยหันหน้ามาเลยเรียกก็ไม่ตอบคหันให้หันมาก็ไม่หันําอะไรก็ไม่พูดออืในเวลาที่เพื่อนๆออกหาเขาน่ะเดินแค่จะเหยียบเท้าเขาอยู่แล้วแต่ไม่เห็นเขาอ่ะแสดงว่าเขาเห็นเพื่อนๆเดินตามหาเห็นหมดครับแต่ไม่สามารถส่งเสียงได้เพราะลุงคนนี้พูดมาว่าอย่าส่งเสียงออ ถ้ามึงส่งเสียงพูดแค่นี้แหละแต่ uh huh. ไม่พูดจะทําอะไรอ uh huh. เขาก็เลยนั่งเงียบ uh huh. แม่ก็นั่งคนเป็นพ่อเป็นแม่เขามาบอกแม่กูว่าเดินแคบเหยียบเท้ากูเลยอะ uh huh. แต่กูว่าเรียกเขาไม่ได้แล้วกู uh huh. คิดว่าแม่กูต้องเห็นนะคิดดูกูร้องไห้เลย uh huh. เขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกคนเพื่อนเขาอย่างเงี uh ้ย huh. กลัวก็กลัวแล้วลุงคะนั้นก็ไม่หันมาแต่มันก็คิดอีกแง่นึงว่าถ้าเขาหันมาแล้วหน้าเขาไม่ปกติ uh huh. เด็กคนนั้นจะเป็นยังไง uh huh. ก็พอได้มาคืนเสร็จ เล่าทุกอย่างจบออกมานั่งข้างนอกครูบาอาจารย์ก็เลยถามถามพระรูปนั้นนะหลวงตาลูกมาหลวงพ่อรูปนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นออพอเนี่ยสมะแมกาเล่าหรอพระท่านก็พูดว่าอาตมาเคยเตือนแล้วว่าอยากให้มาทํากิจกรรมอย่างนี้หรืออยากให้ใครเข้ามายุ่งในป่านี้เวลากลางคืนครับเพราะมันเคยมีเด็กหายไปสี่ห้าคนแล้วแล้วไม่ได้คืนเหมือนครั้งนี้นะโอ้อหหายไปจนหาซากไม่ได้ด้วยซ้ำ โอ้โหหายไปเลยคือหายสาบศูนย์ไปเลยเอะฮะใช่ครับแต่เด็กพวกนั้นจะเป็นเด็กที่เรียนที่นั่นไงประมาณพอสี่พอห้าประมาณเนี้ยครับแล้วอย่างหนึ่งอะเด็กพวกนั้นที่หายไปเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านที่อยู่ในช่วงวัยนั้นนั้นอะจะโดนคนแก่ผู้ชายคนหนึงมาขอออือและในฝันอนะทุกคนก็จะตอบไปว่าโอ๊ยอยากได้กเปาไปซี่จะไปเลี้ยงดูเหรออ๋อจะเลี้ยงดูกระเป๋าไปอะไรเหมือนแบบแหย่เล่นแล้ะในฝันนะ่ะคนเรามันบังคับตัวไม่ได้พี่แจับ มันก็เหมือนกับใช้ชีวิตประจวันเคยพูดเล่นกันยังไงก็พูดกับเขาอย่างนั้นปรากฏว่าเด็กก็หายไปจริงๆสี่ห้าคนไม่ได้แม้แต่ทราบกลับมานะครับแล้วคนที่เป็นลุงแะแกนนั้นก็คือเป็นพันโลงที่โรงเรียนนั้นคือตอนแรกแกเป็นคนสติดีๆนี่นแหละแต่ตอนหลังมาหลานแกนะ่ะหายราบสุนเข้าไปในป่ากว่าจะค้นเจอหลายวันพอไปเจอปุ๊บหลานแกตายแล้วไนงะ ถ้าแกอยู่กับหลานสองคนน่ะจะรักมากแต่ก็สติเสียเลยตอนนี้พอเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็พอออกมานอกป่าก็มากว่าทําปกติพอเห็นเด็กเรียนเดินไาใกล้ก็ไปกอดเด็กมันก็กลัวออืแต่กอดแล้วก็ร้องไห้เด็กมันก็กลัวก็เลยพ่ออคนเก่าก็เลยบอกว่าให้ลาออกสัตว์ไม่ไล่ออกหรอกให้ลาออกเพราะว่าบังคับให้ลาออกอ่าครับเพราะว่าอย่างนี้เด็กมันกลัวแล้วทำอะไรต่อก็ไม่ได้ครับ มันทำให้คนอืไม่เป็นอันจะต้องเรียนออืแต่เมื่อเขาลาออกค่อยออกแต่ลุงพหลงเนี่ยไม่ออกตกเข้าไปอยู่ในป่าฝังตัวอยู่นั้นนะ่ะเช้ามาเขาจะออกมากว่าแล้วก็ออกมาหาอะไรกินแล้วตกเกล็นก็จะกลับเข้าไปในป่าไปอยู่นย่างนั้นนะ<ฆ>รู้สึกจะอยู่ประมาณใช้ใช้ชีวิตอยู่นั้นประมาณเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะ่ะแล้วก็หายไปหายไปประมาณสองวันสองวันพอออกก็เลยให้คนอย่งเรียนน่ะเข้าไปดู<ฆ>ในป่าว่ายังอยู่ไหมปรากฏไปเจอว่าแก ตอมใจตายที่ต้นไม้ตรงจุดที่เด็กคนนั้นหายไปครับโอ้ยผูไปตอมใจตายตรงนั้นเลยอะฮะใช่ครับอเป็นจุดเดียวกันกับที่หลานแกตายและเป็นจุดเดียวกับที่แกตายด้วยและเป็นจุดเดียวกับที่เด็กคนนั้นหายไปด้วยครับอฮึซึ่งหลังจากนั้นมาก็มีเด็กหายเป็นประจำ ไม่รู้ว่าหายไปสี่ถึงห้าคนแล้วโอ้ไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงหายด้วยเหตุผลอะไรแต่ตามหาตัวไม่เจอใช่ครับก่อนแต่ละครั้งก่อนที่เด็กจะหายไปเนี่ยจะมีคุณครูในโรงเรียนฝันเห็นอย่างเงี้ยฝันลุงคนนี้มาขอแต่แกฉลาดนะแกจะมาขอกับครูใหม่แกจะไม่ขอครูเก่าครับโอ้โหอุเป็นสถานที่ที่ฟังแล้วดูอันตรายจังเลยฮะใช่ครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือ มันเป็นข้อที่ผมเคยศึกษาจากอาจารย์ผมสมัยที่ทุดงเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยผมก็ยังพูดกับคุณกว่างเลยว่ามันอาจจะมีส่วนก็ได้อืคือเรื่องของการเข้าป่าถ้ามีใครหลงป่าเนี่ยเขาไม่ให้เรียกชื่อกันนะครับออย่างเช่นออย่างเช่นอะไรสมมติมีคนหายคนหนึ่งอนั้นชื่อเอเออะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ตรงริมนี้เราเดินมาจากฝั่งขวาของมันปุ๊บเราจะโกรธเรื่อเอเอ้วยเอ้วยเนี่ย เอจะไม่ได้ยินเสียงเรานะที่เรามาทางฝั่งขวาขเขาแต่เอจะได้ยินเสียงจากทางฝั่งซ้ายเหมือนใครไม่รู้เรียกเขาแล้วเขาจะเดินหายเข้าป่าไปเลย อ, อเพราะฉะนั้นการเข้าป่าให้ใช้วิธีการกู่ร้องหากันเขาไม่ให้เรียกชื่อตะโกนลูกตานนผมเคยได้ยินเรื่องนี้เพราะว่าผมเคยดูอะไรได้หลายๆอย่างเขาจะใช้วิธีการแบบนี้คือตะโกนกู่ร้องไม่ใช่เรียกชื่อเขาจะส่งสัญญาณเหมือนส่งซิกเกิลอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะ หรืออีกคนหนึ่งฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งได้ยินก็จะฮู้กลับมาใช่แต่อย่าเรื่อชื่อเด็ดขาดเดี๋ยวเราเจะเห็นตัวเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันจะคือผมไม่รู้นะว่าใคาจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ผมไมเชื่ออาจารย์บอกว่ามันจะเป็นผีป่าครับที่มันจะหลอกเอาคนนั้นแหะจากที่มันไม่รู้ชื่อน่ะพอมันรู้ปุ๊บมันจะกูร้องให้เรียกไปกทางหนึ่งให้ไปตาเสียงนะจนหายเข้าไปเลยโอ้อริงจริงจริงเพราะว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ที่ที่จันทบุรีนะครับ ออตอนเด็กๆ เ, เนี่ยผมก็จะไปเข้าเข้าป่าเข้าสวนจะเรียกว่าป่ า, าก็ได้เพราะว่าตรงนั้นไม้ป่าเยอะเหมือนกันไปหาหน่อไม้นะครับไปตกปลาไปงมหอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกพี่ๆที่เป็นผู้นำนะเวลาเขาถึงจุดนึงเขาจะแยกกันไปนะครับเราก็จะไปพี่คนนี้อีกคนนึงก็จะไปพี่อีกคนนึงเพื่อไปอไปหากอไผ่นะครับพกเสียมด้วยอันนึงแล้วก็ไปแทงหาหน่อไม้ อ๋อนะครับหลังจากหาใส่กระสอบได้เสร็จพอมารวมตัวกันเนะี่ยเขาจะหูหูผมก็แปลกเอ้ยทาไมเขาไม่เรียกชื่อกันนะอ๋อเออใช่ใชเอออันนี้เป็นความรู้เลยใช่ใช่จริงอันนี้เรื่องจริงจฮะเพราะว่าผมสัมผัสมากับตัวครับเออที่ ท, ท, ที่ที่เขาไม่เรียกชื่อกันน่าจะเพราะเหตุผลนี้แหละเหมือนกับผีปา่าจะมาหลอกเอ้ยถ้าได้ยินเสียงเรียกอ๋อเพื่อนเรียกไว้ไปทางนู้นดีกว่าแต่ที่ไหนได้คือเพื่อนเรียกอยู่อีกทางหนึ่ง ครับ อ, อ อ, อเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันจะเป็นทางในป่าเนี่ยมันจะมีที่เขาเรียกว่าเครือหมาหลง<อ>บางคนก็เรียกเครือเสาหลงอะไรอย่างเงี้ย<อ>ที่มีความเชื่อ ว, ว่าถ้าเราได้เดินขํา ม, มันเนี่ยอืรับรองว่าออกป่าไม่ได้แน่นอนครับท่า น, นี้สิ่งเหล่าเนี้ยก็จะเรียกสูงว่าารู้ชื่อเอพวกเอเอแทนที่จะได้ยินทางขวาเนี่ยกลับไปยินทางซ้ายก่อนเพราะว่ามันจะมาเรียกใกล้ๆอย่างเงี้ยพอมาเรีกใกล้ๆเส็จปุ๊บมันก็จะเดินหลงไปหลงทําเสียงของมันเอยอยู่ไหนวะ เออมาทางนี้มาทางนี้เดินไปจนข้ามเขือนมาลงแล้วออกไม่ได้ เ, เรียบร้อยฮะเพราะว่าคนเดินตามเสียงเนี้ยแน่นอนว่าเขาจะไม่จดจํารายละเอียดในสิ่งที่เขาเดินผ่านอยู่แล้วแล้วเขาเดินไปทางไหนเขาจะเดินเออตามเสียงไปด้วยถูกฮะเออจริงจริงจริงโ อ, อ้โหสถานที่นี้น่านกลัวจังเลยอะ่ะคุณคิง น, นะฮะนั่นแหละครับผมเดยบอกว่าผมเปิดเผยชื่อไม่ได้เลยเมื่อกี้นี่บ่าเขาก็ถามผมว่าพยายามที่จะ บอกว่ามันไม่ได้อะเดี๋ยวต้องฟังก่อนแล้วพออะไรเพราะมันจะเสียชื่อเขามากเลยแหละดีแล้วฮะคือคุณคิงไม่ต้องบอกเลยถ้าคุณคิงบอกผมว่าเอ้ยพี่แจ็คเดี๋ยวมาบอกผมหลังไมแน่นอนว่าต้องมีคนมาถามผมแน่นอนอันนี้ปิดไปเลยฮะผมไม่อยากรู้ไม่มีฮะแน่นอนไม่ต้องบอกแมกระทั่ที่บัตรถามเมื่อกี้ก็ไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามพี่แจ็คไม่ต้องไปถามทีบัตรผมไม่ได้บอกใครเลยอ๋อนะครับหลายคนที่ฟังอยู่นี้บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีลูกหลานไปเข้าค่ายแล้วไม่อยากให้ไปแล้วเฮ้ยนก่่มไใชททุี่ นะครับในที่เนี้ยที่เขาไปเนี่ยมันด้วยเหตุผลด้วยจังหวะด้วยอะไรหลายหอย่างองค์ประกอบมันเยอะมันไม่ได้มีแบบนี้ทุกที่นะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเอ้ทุกที่ค่ายอ า, าสาเนี่ยไม่ใช่ไปว่าจะมีเด็กหา ย, ยตลอดเวลาแต่ก็มีข่าวบ้างนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าด้วยด้วยก ฎ, กฎกติกาอะไรหลายหอย่างที่เขาออกมากันในการไปเข้าค่ายอะไรพวกเนี้ยผมว่าเด็กสมัยเนี้ยจะฟังกันเยอะเพราะมันมีตัวอย่างให้เห็นกันอยู่หลายๆเรื่อง เฮ้ยอย่าไปตรงนี้นะสมมติไปเข้าค่ายทะเลที่หนึ่งอย่าลงเล่นตรงนี้นะเนี่ยเห็นข่าวไหมเนี่ยมีคนตรงคนตายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนจะกลัวคนมันจะเกรงอ๋อแต่สมัยสมัยก่อนย้อนกลับไปในสมัยก่อนผมว่าด้วยความที่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอ่ะเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องของกฎกฎกติกาสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้โอ้แต่เหตุการณ์ที่ไปเจอมาที่ค่ายนี้เนี่ยคือก็ไม่มีใครไปทําอะไรที่มันดูเสียหายหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีนะ แต่มันก็ว่าจังหวะไม่ดีมากกว่าด้วยสถานที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นความดื้อของเอาจริงๆของอาจารย์ใหญ่ของครูใหญ่ของที่นี่ด้วยใช่ครับเพราะว่าพาท่านก็เตือนหลายรอบแล้วไม่ใช่ถูกไหมท่านบอกแล้ว<อ>ว่าอ่าตั้งแต่ที่เด็กขายไปคนหลังสุดน่าจะเป็นคนที่สี่หรือที่ห<อ>้าท่านก็เลยบอกกับพอว่าเป็นไปได้ถ้าฟ้า ม, มืดแล้วเนี่ยป่านอ า, ยายใหญ่ถครเข้าใกล<อ>้เพราะขนาดกลางวันยังหายเลยเห็นไหม แต่ก็ยังดื้ออยู่เดี๋ยวผมถามก่อนว่าทุกวันนี้เนี่ยค่ายแห่งนี้เนี่ยยังเปิดทำการอยู่ไหมฮะจะต้องบอกว่าเดิมเลยมันไม่ใช่เป็นค่ายคำว่าค่ายนี่หมายถึงว่าเด็กมหาวิทยาลัยนะเขาออกค่ายกันเองครับเดิมเลยมันเป็นโรงเรียนของเด็กปฐมโอ้ฮะครับก็พูดง่ายๆว่าทุกวันนี้น่าจะยังเปิดอยู่แต่รู้สึกคุณปางจะบอกว่า หลังจากครั้งนั้นน่ะได้ยินข่าวมาว่าเขามีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นคือไม่ให้นอนในโรงเรียนไม่ให้ทำกิจกรรมหลังจากฟ้ามืดถ้าจะนอนจะมาทําค่ายอาสาให้นอนที่วัดเขาว่าอย่างนั้นนะคือถ้าอยากออกค่ายไปทําค่ายอาสาเนี่ยไปทําได้แต่ช่วงกลางวันนะแต่ถ้าเกิดว่าจากคักพักอ้างแรมเนี่ยอ่าไปในนอนในวัดเลยครับใช่เอออย่างน้อยก็ดูน่าจะปลอดภัยแล้วก็สบายใจกว่าถ้าไม่มีใครแหกกฎนะฮะต้องบอกก่อน ถ้าไม่มีใครเห็นคนเออมันมักจะมีมันมักจะมีมันจะมีคนเห้าๆอยู่คนสองคนจะเป็นหัวโจกเฮ้ยมันจะแปลกตรงนี้อะไรคำว่าตํานานเนี่ยเฮ้ยมันมีตํานานนะแล้วมันจะมีพวกประเภทนี้เฮ้ยต้องไปลองดูนั่นนะนะต้องบอกแล้วว่าการลองมันลองได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาไม่คุ้มนะฮะเรื่องพวกนี้มันเกิดแล้วเนี่ยบางทีมันไม่สามารถีจะไปแก้ไขอะไรได้เลยนะเพราะว่าจากตํานานที่เขาเล่ามาเราก็ต้อง คิดไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันอาจจะจริงก็ได้บางที่เขาอาจจะไม่ได้แต่งขึ้นมาให้คนกลัวเฉยๆก็ได้ลองลองเออลองฟังดูดีๆลองคิดไตรตรองดูดีว่าถ้าเราจะไปแหกกฎทําอะไรที่มันไม่ควรที่จะไปทําสักอย่างหนึ่งเนี่ยสมควรแล้วหรือดีที่สุดฮนะเนาะอย่าไปแหกกดอย่าไปเขาผู้ใหญ่เขาพูดอะไรเชื่อเขาเถอะอย่างน้อยเนี่ยเขาหวังดีกับเราอย่างแน่นอน ครับโอ้คุณคิงฮะเรื่องนี้ร้อนครับน่ากลัวครับเรื่องของผีลักซ่อนอตอนค่ายาสานะครับขอ ง, ของอน้องกวางที่เขามาเล่าเรื่องให้กับคุณคิงฟังครับผมโอ้ oh, น่ากลัวจังเลยเรื่องนี้ขอบคุณมากมคุณคิงฮะที่วันนี้ขอเแววเวียนมาพูดคุยมาแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้กับพวกเราชาว The Ghost Radio ได้ฟังกันเหมือนเดิมกับคุณคิง g of Ghost ของเรา <ผ>เออนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็อนุโมทนาสาธุในสิ่งที่คุณคิงทำด้วยนะครับครับเช่นกันคนระับพี่แจ๊